บางทีปัญหาทั้งหลายไม่ต้องแก้ไขเลยก็ได้นะมันจบอยู่ที่ทําใจไม่ให้ทุกเนี่ยเพราะว่าเหตุการณ์บางอย่างเนี่ยเราต้องรอเวลาในช่วงการรอเวลาเนี่ยเราก็มีความทุกข์คลุกเคล้าไปกับเหตุการณ์เหล่านั้นเพราะเรายังไม่ได้กลับมาทําใจเราที่นาการเหนื่อยเราทํางานไม่หนีเหนื่อยเราต้องรอเวลาให้มันหายเหนื่อยก่อนให้ร่างกายมันหายเหนื่อย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 แต่ไม่แฟกสาหรับเราก็ทำใจไม่ทุกได้แล้วค่อยแก้ปัญหาภายนอกเซลเนี้ยเป็นข้อมูลมาจากธรรมะทั้งนั้นเลยธรรมะจึงมีไว้ทาใจบางทีเราทาใจได้เนี่ยมันกลับเป็นมีความสุขก็ได้นะยิ้มหัวเลาะเยอะเออไอความเส่อของเราหัวเละเยะตัวเองสบายเลยเพราะนั้นการฟังธรรมการปฏิบัติธรรมทั้เป็นสิ่งที่จาเป็นสาหรับชีวิต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 มันไปวัลฏะทางแต่พูดถึงเรื่องสติขึ้นสมองนี่ไม่ใช่ว่าเราไม่ได้เจริญเรามัวแต่คิดคิดคิดคิดเรื่องสติเนี่ยมันก็ขึ้นสมองเหมือนกันมันก็จะเป็นเาเรียกวิปัสสนูปกิเลถ้าไม่ใช่สติปฐานเป็นสติที่ไม่มีฐานเนี่ยฝ่ายสติขึ้นสมองเนี่ยมีโอกาสเป็นวิปัสสนูได้นะวิปัสสนูเนี่ยสติกล้าจนเกินไปมันก็หลงไปในความคิดเหมือนกัน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 กราจะสังเกตว่าหลักใหญ่ๆเนี่ยก็ต้องมีคำว่าสติอยู่ในการปฏิบัติทางนั้นเลยอย่างเช่นอนุสติหการปฏิบัติอนุสติกายกตาสติเนี่ยบางคนคิดล่วงหน้าคิดไปเลยนะว่ามีอะไรบันางเกี่ยวกับสติในทางธรรมอานาปานาสติสติปัฐานสี่สติอินสีสติพลร ะ, ระสติพุทธชง มันเยอะคำว่าสติสติเนี่ยในหลักการปฏิบัติเนี่ยทิ้งไม่ได้เลยแม้แต่ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จดับกันท่าปณิธานท่านายังเตือนสาวกว่าไม่ควรประมาทไม่ควรประมาก็คือการ<ม>ดาเนินชีวิตอย่างมีสติพระย้อนกลับมาดูตัวเราเนี่ยต้องให่เราตื่นนอนมาตอนเช้าก็ทั้งหลับไปในตอนเย็นตอนค่าตอนมืดเราต้องใช้สติทั้งนั้นะ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 กินของเก่าเอา น, นัพิกถ้วยเก่ามากินมันไม่อร่อยแล้วหยุดไม่ได้เรื่องที่ผ่านไปแล้วก็ปล่อยมันผ่านไปไม่เดี๋ยวนี้เขามีร้านรับซื้อของเก่าอันนี้มันเป็นปริศนาธรรมนะผม ว, ว่าของเก่าเก่าเนี่ยมันเหมือนอย่างกับอันนี้จังทุกขังอนัตตาความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอันนี้เป็นของเก่านะ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 ในทางโลกบอกว่าหมดเนื้อหมดตัวโอ้โหลมละลายเลย่ต้องทําดี่ดีสิจะได้ไม่มีตัวเพราะการปฏิบัติเป็นไปเพื่อความปล่อยวางตัวตนเพราะอะไรยังเพราะจะปล่อยวางอะไรยังนี่ยังเสีดเยดายอะไรอยู่ปล่อยวางกลายปล่อยวางใจปล่อยวางแม้ทั้งจิตผู้รู้เองก็เอาไม่ได้เพราะสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งปรุงแต่งเกิดดับทั้งนั้นมันก็จะไม่เหลืออะไรไอ้ชีวิตก็อิสระฝึกรู้ฝึกปล่อยฝึกวางไบ้าง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 ทำไปเห็นมีความสุขเลยเห็นความสุขความสุขมันดับเห็นเรามีความสุขเลยการปฏิบัติทําไม่ใช่เพื่อความสุขนะปฏิบัติเพื่ออยู่เหนือสุขความสุขในภาพของเราคือต้องสุขนานตื่นเต้นเร้าใจแต่เหนือสุขนี่ยมันเป็นอิสระมันไม่มีคำพูดไม่มีความหมายมีแต่ความรู้สึกเป็นสภาวะอิสระสบายความสนุกมันเป็นภาพของเรา